รวมกลุ่มอยู่ในที่นั้นให้เคลื่อนที่ทันทีทั้งหมดเดินลงมาจากหลังเนินเต่าซึ่งเป็นตำแหน่งที่พบเหวอันรพินตกลงไปสลบอยู่นั้นสมทบกับลูกหาบจํานวนหนึ่งพร้อมกองสัมภาระที่รอคอยอยู่ก่อนแล้วเจ้าด้วนเดินดุมดุมตามหลังลงมาด้วยทุกคนเห็นความฉลาดแสนรู้ของมันอย่างชัดเจนอีกครั้งในกรณีที่ หากมันต้องการจะเดินเงียบๆโดยไม่ให้กระดึงอันแขวนคออยู่ส่งเสียงโกรกเกรกขึ้นมันจะใช้งวงม้วนขึ้นมาจับไว้ที่กระดึงห้อยคอนใช่ไหมทำให้ทุกคนต้องมองมันด้วยความพิศวงอยู่ครามคลันเพราะมันจะเดินแบบส่งสัญญาณให้ฝ่ายของมนุษย์อันเป็นมิตรกับมันรู้ตัวก็ได้หรือจะเดินอย่างไม่ให้เกิดเสียงใดๆเลยก็ทําได้จากความฉลาดแสนรู้เหนือระดับช้างป่าสามัญ น, นั้น ดาริงยิ้มเดินลงเนินไปพลางก็โบกมือกวากเรียกมันไปด้วยซึ่งมันก็เดินตามไปโดยดียังไม่แยกไปทางอื่นเมื่อลูกหาเพิ่มเอาของขึ้นบ่าอนุชาก็บอกกะพักพวกทุกคนว่าคิดว่ายังพอมีเวลาเหลือเฟือนะเราจะไต่สวนขึ้นไปทางต้นลำธารให้พ้นจากบริเวณซากช้างเน่านี่สักห้า0อเมตรก่อนแล้วเตรียมบรรจุน้าเพื่อจะบุกต่อทั้งวัน ตรงนั้นเราจะพักอีกสักสิบยี่สิบนาทีใครจะอาบน้าถัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สบายตัวสักก่อนก็ได้เพราะหนทางข้างหน้านหาแหล่งน้ำลำบากจนกว่าจะถึงบริเวณห้วยเสือร้องอืมอืมดีเหมือนกันเช็ดทาว่าหนักห ม, ม, กนมุนกันมาวันก็คืนกันเต็มแล้ะหาน้ำอาบสักมือก็ดีแล้ว น, นี่เราจะเริ่มแก่รอยระพนยังไงต่อหลังจากนั้นไม่ยากหรอกครับพี่ใหญ่ รอยเดินของคนขยุงใหญ่แบบอบพยพแบบเนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนทีเดียวและทิศทางจะไปห้วยเสือร้องระพินก็ต้องบ่ายหน้าขึ้นเหนือตลอดไปนั่นแหละมันก็ทางเดียวกันหรือใกล้เคียง ก, กับที่เราจะสาวขึ้นไปตามเส้นทางของลําธารนีอยู่แล้วอาบน้ำํำเสร็จผมการนันอินจะค้นรอยเองครับทั้งหมดโดยการตีมือบอกทิศทางของอนุชา ไปยังลูกหาบที่รีรออยู่ก็บายหน้าเลาะตีเนินหลังเต่าลูกนั้นมุ่งขึ้นสวนตะวันเช้าเบี่ยงองศาเหนือทันทีพวกลูกหากหา้าคู่นำไปก่อนโดยคณะเจ้านายตามไปเบื้องหลังเจ้าด้วนยังไม่แยกทางไปไหนมันเดินผ่านกลุ่มคนเหล่านั้นห่างๆตัดเลยไปนำอยู่เบื้องหน้า ดูราวกับจะรู้ทิศทางกําหนดไปของพรานชดอยู่ก่อนแล้วและเว้นระยะห่างจากหัวขบวนประมาณ30เมตรปาโปรงบริเวณเนินเขาเตี้ยๆทำให้มองเห็นตัวมันที่ดุมเดินอยู่เบื้องหน้าอย่างถนัดเหมือนจะเป็นการเคลียร์เส้นทางให้ก่อนแต่ก็ไม่มีใครบอกได้แน่แม้แต่ดารินเองว่าเมื่อไรมันจะเร้นกายหายลับไปจากสายตา เพราะปกติวิสัยของมันเท่าที่ทุกคนระหนักเคยชินดีอยู่แล้วก็คือแม้เจ้าช้างป่าใหญ่ตัวนี้จะแสดงให้เห็นว่ามันติดตามป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ชิดคณะเดินทางมาตั้งแต่หนองน้ำแห้งก็ตามแต่มันก็หาได้ร่วมขบวนไปกับคณะหรืออยู่ในรัศมีที่จะมองเห็นได้ตลอดเวลาไม่นึกจะโผล่มาเมื่อใดมันก็โผล่แล้นึกจะหายไปเมื่อไรก็หายไปอย่างลึกลับเป็นเช่นนี้เสมอ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 ยกเว้นดารินเพียงคนเดียวที่ทําได้บัดนี้ทุกคนเดินเรียบไหลลําทานเหนือบริเวณตีนเชิงผาของหน้าผาตะเคียนทองและอยู่เหนือลมของบริเวณนั้นจนเกินกว่าที่จะได้กลิ่นซากเน่าของช้างตายจํานวนมากเหล่านั้นแล้วเจ้าด้วนบ่ายหัวนําตัดลงบริเวณฐานน้ําไหลอันอุดมไปด้วยโขถินและพันไม้รินนมน้ํา อันขึ้นอยู่เขียวขจีร่มรื่นนั้นทันทีตัวมันเองก็ลงไปดื่มน้ำแล้วใช้งวงสู่พ่นน้ำกระจายราดลงไปบนหลังตัวเองจนเปียกโชกพอฝ่ายมนุษย์ตามลงมาถึงมันก็ลุยข้ามกลับไปสู่ฝั่งเดียวกับทิวของหน้าผาตะเกียนทองหยุดยืนเหมือนจะรออยู่ใต้โคนไม้ใหญ่ต้นอนุชาบงการให้พวกลูกหาบเติมน้าเข้าภาชนะและให้พัก น้ำทันทีเดือกระจายกันไปตามแก่งแง่โคดหินที่งอโผลเป็นแนวฉากกำบงังทั่วไปเหล่านั้นเอาล่ะนำบริเวณนี้สะอาด จ, จากซากช้างตายพวกนั้นละเพราะอยู่เหนือขึ้นมามากพอะจะอาศัยอาบกินกันได้อย่างสบายอย่างอื่นไม่ต้องระวงังอคอยระวังแต่งูเท่านั้นหินตรงไหนเป็นซอกโพรงลึกผิดปกติ ก็คอยสังเกตให้ดีอย่าไปอาบตรงนั้นอ่ะน้อยเราเป็นผู้หญิงคนเดียวในคณะลงไปอาบซะก่อนไปพวกพี่จะคอยดูแลให้เองให้เวลาไม่เกินสิบนาทีนะกล่าวพลางพี่ชายกลางก็ชี้มือไปยังแนวล้อมของก้อนหินใหญ่ใจกลางทานน้ำไหลลึกระดับเอวตำแหน่งหนึ่งซึ่งตนเข้าไปเดินสำรวจดูไว้ก่อนแล้วตนเองไปขึ้นไปนั่งอยู่บนยอดหิน พอที่จะมองเห็นอะไรในทิวทัศน์ที่กว้างไกลพอประมาณสุบุรีไรเฟินพาต้เชตฐถาลุยทานไปยึดยังโคนไม้ฝั่งเดียวกับเจ้าด้วนยืนอยู่ส่วนชา ย, ยันก็คอยระวังอยู่บนหน่อหินกลางน้ำระยะที่ต่ำลงไปอีกเล็กน้อยกลายเป็นองครักษ์สามจุดที่จะให้การพิทักษ์น้องสาวเล็กของคณะอย่างดีที่สุด ทุกคนทำหน้าที่ประสานงานกันได้โดยไม่จําเป็นจะต้องบงการบอกสั่งอะไรกันมากดารินถอดเครื่องหลังประจําตัวหรือคนได้อัดถาบริหารในการอาบน้ำำําชําระกายถอดบูธสั้นเดินป่าออกแล้วเดินลุยน้ําบ้างเหยียบไปตามแง่หินที่โผล่เป็นแนวทางเดินให้เหยียบบ้างตรงไปยังจุดที่พี่ชายกลางกําหนดไว้ทันทีสิ่งที่หลอนติดเป็นนิสัย จากการฝึกฝนจนซึมทราบเข้าสันดานก็คือไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนถ้าในขอบเขตของป่าแล้วไฟเพื่อนประจำตัวจะไม่มีการห่างมือเลยแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะดูว่าปลอดภัยเพียงใดก็ตามบืนสั้นเิ็ดเข็มขัดข้างเอวอี ก, กระบอกหนึ่งพร้อมมีดอีกด้ามสัญชาติยานไพยของหลอนบัดนี้เพียบพร้อมผิดกับยุคเก่า ก, ก่อนที่เคยเดินทางค้นหาพี่ชายมาในครั้งแรกมากนะัก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 ตามหาจุดหมายอันเป็นเหวที่ระพินหล่นลงไปประกอบกับความหมักหมมต่อคราบเหงื่อใครมาตลอดทั้งวันวานโดยไม่มีโอากาสได้สะสางร่างกายเลยทำให้หลอนต้องการน้ำอย่างที่สุดและไม่ได้มีความหนาวเย็นอย่างใดเลยทั้งสิ้นลำแสงตะวันเช้าสอดลอดกิ่งไม้และเครือเถาวันสูงที่แผ่ปกคลุมโป่ ง, ง, ปงเป็นหลังคาอยู่เหนือฝั่งทานนั้นทอดเป็นลาลงมา ทำให้บริเวณทานน้ำใสสะอาดที่ไหลผ่านแง่หินอยู่ริกริมีทั้งจุดสว่างและจุดอันเป็นเงาสลัวเบื้องต่ำของสายทานลงไปทางด้านใต้หางจากตำแหน่งที่หล่อนยึดอยู่ประมาณ15เมตรพวกลูกหาบกำลังผลักพาเข้ามาลงไปแช่ตัวอยู่เช่นกันไม่มีใครรังเกียจว่านายหญิงอาจอยู่ตอนที่เหนือกว่า นอกจากความเคารพรักของทุกคนที่มีอยู่เป็นพ้นเดิมแล้วกระแสทานสายนี้ก็มีบริเวณที่กว้างขวางปริมาณน้ำมากพออาจเป็นได้ในกรณีที่ระหว่างโขดหินที่หล่อนเข้าไปยึดเพื่ออาบน้ำอยู่นั้นล้าขึ้นไปทางด้านเหนือเล็กน้อยพี่ชายสองคนและเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นกาดพิทักษ์คุ้มกันให้อยู่ ต่งก็เฝ้าอยู่ในจุดที่เยื้องต่ําลงไปเล็กน้อยเพราะต้องการให้หล่อนอาดน้ําตามสบายไม่ต้องการให้เกิดความประดักขุยอาอย่างใดเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวของคณะทางด้านหน้าของหล่อนซึ่งเป็นส่วนไหลลงมาของสายทานจึงเป็นส่วนที่ตัวหล่อนเองจะต้องสํารวจอย่างระมัดระวังที่ท้วนที่สุดเนื่องจากจุดที่เหนือขึ้นไปนั้นไม่มีใครมองเห็นภูมิประเทศได้ดีไปกว่าหล่อน ทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ปลดเลื่อมออกจากร่างไปหมดสิ้นแล้วถ้าจะเหลือไว้ก็เพียงสิ่งเดียวคือสร้อยสแตนเลสเส้นเขื่อนที่ห้อยพระเครื่องรางซึ่งระพิงเคยมอบไว้ให้คงติดคอไว้บริเวณที่พี่ชายกลางมาสำรวจและชี้ตำแหน่งกำหนดไว้ให้ก่อนเป็นบริเวณแอ่งน้ําที่ดูปลอดภัยที่สุดจากสัตว์เลื้อยคลานมีพิษเพราะปราศจากซอกโครงหรือภูมิประเทศแวดล้อมใกล้เคียง หน้าระวกกระดับน้ำลึกเพียงโคลนขาไม่มีวัชพืชใดๆหรือใบไม้แห้งลงไปหล่นสูงอยู่พอจะมองเห็นพื้นทรายและหมูปลาเล็กหลากหลากสีที่ว่ายอย่างรวดเร็ววนเวียนอยู่ไปมาราบใครรอบด้านเงียบสงบกินใบพึิกเล็กๆไว้ขยับตามธรรมชาติของมันเมื่อต้องลงเช้าเพียงแต่ว่าไม่มีเสียงนกปา่าหรือลิงข้างชนีใดๆ ทำเสียงหรือโผล่เงามาให้เห็นเลยพร้อนถือโอกาสแช่และซักเสื้อผ้าที่ถอดออกนั้นไปด้วยในขณะที่สายตาก็คอยลอบสังเกตไปยังทิศด้านเหนือขึ้นไปของลำธารอยู่เป็นระยะเสียงพี่ชายและเพื่อนสามคนส่งเสียงคุยกันตามปกติเบาๆคนเหล่านั้นอาจสังเกตเห็นหล่อนได้เพียงแต่ระดับใบหน้าและสีราะเท่านั้นที่โผล่จากเหลี่ยมหินขึ้นมาให้เห็น ถ้าหากล่อ น, นั่งอยู่บนชานหินใต้น้ำเสื้อผ้าซักแกว่งน้ำเพียงลกูลกแค่ให้หมดคราบเหงื่อใครแล้วบิดจนหมาดเอามาวางก อ, องเรียงไว้บนลานหินใกล้ๆอาจเป็นด้วยฟองสบู่จางๆที่ไหลตามสายน้ำลงไปเสียงชา ย, ยันอดร้องบอกมาเบาๆด้วยอารมณ์ชอบยาวแย่ตามนิสัยไม่ได้ว่าน้อยระวังหน่อยนะ ลานในลำทารนี่จะตายหมดไม่ได้อาบน้ามากี่วันแล้วนี่เนะหล่อนไม่ตอบการมีชัยยันมาด้วยในครั้งนี้เป็นความต่อโกรงอารมณ์ชนิดหนึ่งของหล่อนเพราะมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่พูดหรือทำอะไรให้หล่อนคลายอารมณ์เศร้าและตึงเครียดลงไปได้บ้างผิดกับพี่ชายสองคนซึ่งเอางานเอาการเกินไปชัยยันเมีารมณมขันและนิสัยชอบกระซา้าเย้าแย่อยู่ตลอดการ ไม่ว่าจะตกอยู่ในภาวะใดมันก็ดีไปอย่างเหมือนกันไม่เพียงแต่พูดยาวมาอย่างเดียวเท่านั้นชายยันยังเอาก้อนกรวดเล็กๆขนาดลายนิ้วก้อยบ้างขนาดหัวแม่มือบ้างคว่างย่อนมาที่บริเวณหล่อนเป็นระยะระยะตรงข้ามกับพี่ชายสองคนที่นั่งสูบบุหรี่อยู่เงียบเงียนี่ห้ามโป้นะอย่างน้อยก็ควรจะเอาผ้อาออกมากระจมอกไว้สหน่อย ฉันมองเห็นนะจะบอกให้ใหใหเสียงสหายชายผู้รักสนิทเหมือนพี่น้องคลานตามกันในยาวใหญ่มากเขาไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าที่จะปลุกปลอบอารมณ์อันเศร้าหมองของหล่อนในขณะนี้อย่างน้อยก็เหมือนจะให้ลืมอะไรต่ออะไรในความคิดหนักของหญิงสาวลงชั่วแครนนี่มาช่วยซักกางเกงในฉันหน่อยสิเชยาน ร่อนร้องตอบออกไปมากอีกฝ่ายหนึ่งหัวเราะเฮ้ยเอาไว้นอนตอนเจ็บลุกไม่ขึ้นซะก่อนแล้วชัยันจะไปซักกางเกงในให้เธอเองถ้าหาหาคนใช้ไม่ได้ระวังกิ่งไม้เหนือหัวหน่อยนะตาฝาดิเปล่าไม่รู้มองดูคห้ายงูหลามอะมันขดอยู่บนนั้นถ้ามันติ้งตัวตบลงมาที่เธอแล้วก็พยายามทาตัวเป็นทาสานผู้หญิงให้ได้นะ เพราะจะไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเธอตอนนุ่งล้มห่มฟ้าอยู่นั่นเนอะทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าเพื่อนกระซาว ย, าวย้าแหย่ล้อเลียนเล่นหล่อนก็อดไม่ได้ที่จะต้องแง้มมองไปยังกิ่งไม้ใหญ่เหนือสีสันที่พอดเป็นลำข้ามสีสะมันไม่มีอะไรนอกจากกอกล้วยไม้ตาที่เกาะพันอยู่กับกิ่งอันจับเขียวไปด้วยตะไคร่น้ําชุ่มชื่นอยู่ตลอดชั่วนาตาปี และช่อเอื้องพึ่งที่เลือ้งอารามย้อยลงมาสวยงามสลับไปด้วยกระเช้าสีดากับพันไม้ที่ขึ้นใกล้น้ำแตกกิ่งก้านงามสะพรั่งเสียดายที่เมไม่ได้มาด้วยนะไม่งั้นจะวานให้โตปากสักฉากดาลิมตอบลอดโขดหินกลางน้ำออกมาพอหล่อนเอ่ยถึงพันยาสาวที่เพิ่งจะหยุด ที่เพิ่งจะคลอดบุตรชายได้วันเดียวและตัวเองก็ต้องระหกระเหืนพัดพากมาเดินตาโดยไม่รู้อนาคตเช่นนี้ชายันก็หน้าจ้อยกุบ ป, ปากสงบนิ่งไปในทันทีมันเป็นการจี้จุดกลางใจกันอย่างถนัดและหล่อนก็พูดออกไปโดยไม่ทันคิดเงียหูระหว่างลูสบสบู่ไปตามร่างกายไม่ได้ยินเสียงเพื่อนชายพูดอะไรมาอีกดารินเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ ร้องเรียกไปเบาๆว่ชาช ย, ยันมีเสียงตอบมาว่าอืมขอโทษด้วยนะถ้าฉันพูดอะไรให้เธอต้องมีความทุกข์เศร้าฉันไม่ตั้งใจจริงเสียงช ย, ยันฝืนหัวเราะมาคืนๆแล้วทำเสียงให้ร่าเริงเหมือนเดิมว่าฉันไม่คิดอะไรมากเหมือนเธอหรอกน้อย ผมไตัดสินใจเด็ดขาดแบบนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างทิิงท้งๆวาข้างหลังหมดถึงยังไงทั้งเมียทั้งลูกของฉันก็ปลอดภัยแล้วตัวฉันเองจะมีโอกาสกลับไปได้ชื่นชมกับเขาอีกหรือไม่มันก็สุดแล้วแต่ว่าสนาจะตายชีวิตฉันรู้แต่ว่าเพียงฉันรักเพื่อนฉันทิ้งเพื่อนไม่ได้ระหว่างพี่ชายสองคนที่นั่งคุ้มกันอยู่คนละฝั่งทาน กับช ย, ยันผู้ไปนั่งอยู่บนโคกหินกลางทาน้ําต่ํากว่าหล่อนลงไปเล็กน้อยช ย, ยันอยู่ใกล้กลัหล่อนมากที่สุดพอจะพูดกันเบาๆได้ยินสองพี่ชายรู้ว่าทั้งสองพูดคุยกันแต่ก็จับสับไม่ได้และไม่สนใจอะไรด้วยทั้งสิ้นเชษฐากําลังใช้ความคิดในขณะที่อนุชาก็กําลังวางแผนการเดินทางช ย, ยัน ลูกของเธอแล้วก็เมก็เปรียบเหมือนลูกของฉันเหมือนกันนะชยันน้อยทันชันและเมยนะ่ะยางซึ้งในข้อนั้นดีแล้วถ้าราพินเขารู้ว่าเมย์คลอดลูกออกมาแล้วเป็นผู้ชายชื่อเหมือนสกุลของเขารปินก็คงจะดีใจมากเช่นกันนะนั่นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นพ่อยกของเด็กชยยัน แต่เดี๋ยวมีพ่อยกของเจ้าภัยวันน้อยของฉันนะ่ะไปเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะเสียงชา ย, ยันรำพึงออกมาพร้อมๆกับถอนใจยาวดารินเองอาบน้ำปากพูดคุยกับเพื่อนชายแต่สายตาดารินสอดส่องไปยังทานเบื้องหน้าอันเต็มไปด้วยเหลี่ยมแง่มุมบังของโขดหิน ที่งอกอยู่ระเกะระกะตลอดเวลาครั้งแรกตลวนคิดว่ามันอาจจะเกิดจากเงาครึ้มของป่ารู ป, ปรทานของตนเองที่และไปเห็นสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวลับลับล่ อ, ลอๆอยู่ในซอกบางอันจำกัดของโมหินริมฝั่งทานซีกทรายซึ่งค่อนข้างจะรคทึบมากระยะมันห่างออกไปราว25หเมตรเป็นส่วนใบหน้าที่ล่อออกมาแค่คอ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 แต่ที่แน่แ่ก็คือไม่ใช่พวกลูกหาบที่มาด้วยกันทั้งหมดแน่เพราะทุกคนไม่มีใครอ้อมขึ้นไปยังตำแหน่งเหนือน้ำเลยทั้งหมดล้วนอยู่ด้านต่ำทั้งนั้นอีกประการหนึ่งแม้จะห่าง25หเมตรออกไปสวดทรงของข้าวหน้าอันแลดุดหินหรือ ข, ขอนไม้ที่หมุนวนลับลับล่บลอๆ อ, อ, อยู่ตรงบริเวณสายน้ำริมก้อนหินที่ซ้อนเหลื่อมกันอยู่นั้น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 ทีละน้อยหลอนเลงรอโดยที่พี่ชายหรือเพื่อนไม่มีโอกาสได้รู้เห็นการเคลื่อนไหวของหลอนเลยแล้วชั่วไม่กี่อึดใจเท่านั้นมันก็โผล่ออกมาครึ่งหน้าและก็คงเห็นเข้ากับรูลำกล้องของไรเฟิลที่จ้องมาพอดีหลอนแตะไกจุดสศูนย์ศนเวทเทอรแม็กระเบิดแหลมสะานขึ้นกลางความเงียบ พร้อมๆกับใบหน้านั้นก็หลบวูบอย่างลบเสียงราวกบฟ้าผ่าในความสงบราบคาบของสถานที่ทาเอาทุกคนที่ไม่รู้ตัวมาก่อนสะดุ้งสุดตัวก้อนหินริมน้ำฝั่งซ้ายมือที่ใบหน้านั้นโผล่ออกมาแตกเป็นสะเก็ดและฝุ่นขาวตลบด้วยอานาจกระทบของหัวกระสุนมันชิงช่วงเวลากันเพียงแค่หน้าประหลาดนั้นหลบวูบเข้าไป อีกแค่หนึ่งในสิบของวินาทีก่อนที่ดารินจะลั่นไกเท่านั้นเชษฐาอนุชาและชยันเพ่นพรวดขึ้นยืนพร้อมกันหมดพร้อมกับไรเฟิลในมือขณะเดียวกันพวกลูกหาที่กำลังนั่งพักและอาบน้ำกันอยู่ในทานก็เห็นกันอุดตลุดเข้าหาปืนของตนบุนวายโกลาหนและรวดเร็วพรักพร้อมราวกับทหารที่ฝึกมาแล้วอย่างดีทุกคน ทั้งหมดเห็นแผ่นหลังขาวโพลนของดารินยืนขึ้นต่อมาก็ตวัดผ้าเช็ด ต, ตัวมากระจงกกไว้หน้าหลอนยังหันไปทางต้นลำทานพอนุ่งผ้าเช็ด ต, ตัวเสร็จก็ฟ้าไรเฟิลเดินขึ้นฝั่งทานโดยไม่สนใจใครทั้งสิน้นวิ่งเหาะเหาะตรงเข้าไปยังตำแหน่งที่หลอนหมายตาไว้ก่อนในมือไรเฟิลพร้อมที่จะระเบิดกระสุนซ้ำได้ทันทีชายยังกระโดดลุนน้าโคลงคลานตามมาเบื้องหลัง ขณะที่อนุชากระเชฐาก็วิ่งเรียบเลาะริมฝั่งโคละด้านแข่งกับเวลาปวดไล่หลังดารินไปในทันทีขยินนานอินและพวกลูกหาบคว้าปืนได้ก็วิง่งกรูตามกันมาเป็นพรวนทั้งทั้งที่ยังไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรเสียงเจ้าด้วนร้องประหนยาวขึ้นมาครั้งหนึง่งยืนหมุนวนอยู่ตรงนั้นมันเองก็สะดุ้งตกใจกับเสียงปืนสนั่นหวั่นไหว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 เหมือนจักคเนทิศทางตรวจหาร่องรอยอึดใจต่อมาพรานชดก็เพนเข้ามาถึงเขายังไม่ถามอะไรก่อนทั้งสิ้นมองไปยังรอยแผลของก้อนหินใหญ่อันจับเขียวด้วยตะไคร่าน้านั้นเชษฐายังคงอยู่ฝั่งตรงข้ามชูไรเฟิลขึ้นในมุม45องศาและชายยังก็ตะกายตะล่งขึ้นมาทางด้านที่อนุชา ก, กับดารินยืนตรวจค้นกันอยู่น้อย ยิงอะไรเสือเอเสียงพี่ชายใหญ่ตะโกนถามมาดารินยังไม่ตอบก้มก้มเงยเงยอยู่ตามพื้นกรวดริมทานน้ํานั้นแล้วไต่ตามเข้าไปยังตะลิ่งโดยมองพื้นไปตามลําดับเอามือผลักชายยันที่ขึ้นมายืนหน้าตาตื่นเลิกลักเหยียบทักบางรอยที่หลอนกําลังลงค้นหาอยู่นั้นให้หลีกไปทางอัญชากวักมือเรียกพี่ชาย มาทางฝั่งนี้นะครับพี่ยายเชิดากระโดดเหยียบมายังก้อนหินใหญ่น้อยที่ขึ้นอยู่ตามฐานนั้นตรงเข้ามาสมทบจากฝั่งตรงข้ามที่ยืนคุมเชิงอยู่ทันทีขณะนั้นดารินตามรอยกรวดที่มีลักษณะเหมือนถูกเหยียบไว้จนกระทั่งถึงพื้นดินปนทรายริมตลิ่งแล้วก็มาหยุดยืนอยู่ยังรอยที่ปรากฏอยู่ขณะนั้นทั้งเพื่อนและพี่ชาย กำลังพิจารณาดูอยู่ที่ตำแหน่งกระสุนกระทบฉันกำลังพูดคุยกับเข า, เขาดีๆเห็นเงียบไปอึดใจแล้วไรฟฝนก็ลั่นตูม้มจนแก้วหูลั่นวิง่งเลยแล้วก็ก็ลุกพรวดพลาดวิ่งมานี่แหละชายันบอกกระล่ำละละักอนุชาหมุนตัวควับกระโจนไปยังบริเวณที่น้องสาวสุดตัวลงสำรวจดินปนทรายอันมองเห็นชัดว่าพื้นกรว เชษหาชยันตามเข้ามาด้วยตำแหน่งที่ดารินก้มลงพิจารณาอยู่นั้นดูเหมือนจะตอบปัญหาทุกคนไปกว่าครึ่งแล้วรอยตีนลักษณะเหมือนตีนมนุษย์หรือมิฉะนั้นก็ปลาสเตอร์ที่หล่อไว้ให้ใกล้เคียงกับลักษณะรอยตีนมนุษย์ขนาดความยาวหนึ่งฟุตเศษส่วนกว้างที่สุดร่วม7นิ้ว ปรากฏประทับอยู่บนหินทรายอ่อนๆนั้นน้ำหนักตัวอันมากมายทำให้มีรอยเหยียบลึกและมีน้ำติดอยู่ด้วยแสดงว่าเพิ่งจะเดินอย่างรีบร้อนหรือวิ่งขึ้นจากน้ำพ่ะไปอย่างลนลานรวดเร็วก่อนที่ทุกคนจะมาถึงพอเชิดากะชัยันมองเห็นถนัดก็อุทานออกมาว่าเฮ้ย hey พร้อมกันและ ว, วาระนั้น ทั้งขยินกันนนานอินก็หอ่อแนบมาถึงพอดีมีลูกหาบนุ่งผ้าเขามาตามมาเป็นกลุ่มทุกคนส่งเสียงถามแทะฟังไม่ได้สับแล้วแล้วก็มาเห็นเข้ากับรอยตีนประหลาดตับรอยลูกปืนของดารินตําแหน่งกระทบหินพร้อมกันทั้งหมดราชสกุลสาวเม้มริมฝีปากแน่นลุกขึ้นจากรอยตีนที่เห็นชัดตําแหน่งแรกนั้น ทำท่าจะไต่ตะลิงอันมีรอยดินร่วงพลูงลงมาใหม่ๆใครว่ามีอะไรรีดตะกายหนีขึ้นไปทางนั้นแต่พี่ชายกลางคว้าไหล่ไว้ซะก่อนอย่าหลงกลน้อยนั่นนะแปลว่ามันล่อให้ตามแล้วดารินชะนะเอามือข้างหนึง่งลูบน้ำอันเกาะพลาวอยู่บนใบหน้ารีตาคำเ่นมองยังพงรกของตะลิงสูงอย่างใช้ความคิดหนัก หล่อนยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเดียวนับตั้งแต่ยิงกระสุนนัดแรกแล้วกูดตามมาที่นี่น้อยเห็นอะไรยังไงเขานนิเชษฐาถามเครียดเครียดเอื้อมมือมาจับต้นแขนไว้แน่นมันมันแอบมองน้อยอยู่ค่ะตอนที่น้อยอาบน้ำแหละหล่อนเพิ่งจะบอกขึ้นได้เป็นประโยคแรกน้ำเสียงปกติธรรมดาที่สุด มันพลุบพโผล่ลลลอย่างมีเลสันยอยู่ตรงตำแหน่งที่กระสุนปืนกระทบนั่นแหละค่ะครั้งแรกก็นึกว่าเงาตะวันหรือว่าตาฝาดแต่เฝ้าดูอยู่สักพักก็แน่ใจว่ามีอะไรผิดปกติแน่ก็เลยจ้องปืนระวังอยู่พอมันค่อยๆโผล่หน้ากมาอีกน้อยก็เหนียวไกลปืนมันทิงเวลากันชั่ววิบตาเดียวเท่านั้นพอมันหดหน้าหลบกระสุนก็เลยพลาดไปกระทบก้อนหินที่เห็นนั่นถ้ามันหลบไม่ทัน กระสุนก็พากระโหลกไปแล้วเชษฐามองดูภูมิประเทศอันรกทึบรอบด้านแล้วสั่งอนุชาว่าตรวดรอยเท้าให้ดีสิกลางเป็นไอ้พวกมนุษย์ป่าดุร้ายประเภทสางเขียวหรือสัตว์ประเภทไหนอนุชาไม่ทันตอบนานอินก็บอกมาทันทีโดยเสียงต่ำๆของแก ว, ว่ารอยตีนเหมือนคน ไม่ใช่คนหรอกในายใหญ่มันก็ไอตูวชนิดเดียวกับที่เคยไปอรารวาสกับเราในปางพักมาก่อนแล้วพร้อมๆกับช้างบุกนั่นแหละก็ไอผีตายซากนับอายุไม่ได้ที่มันจ้องก่อกวนรังควานคณะของระพินกับพวกเราอยู่นั่นแหละเสียดายที่หนายหญิงยิ่งพลาดพวกเราตกอยู่ในสายตารู้เห็นของมันตลอดเวลาไม่ว่าจะเคลื่อนไปไหน นี่ดีว่านายหญิงมองเห็นซะก่อนนะเชษฐาเข้าไปนั่งยองๆตรวจ ด, ดูรอยเท้าใหญ่ผิดมนุษย์ในยุคปัจจุบันนั้นด้วยตัวเองแล้วกัดริมฝีปากเขาเห็นด้วยกับคำพูดของหนานอินนั่นน่ะไม่ใช่รอยตีนสัตว์ชนิดใดแน่นอนและรอยใหม่ๆที่เปียกน้ำก็เป็นพยานหลักฐานอยู่ว่าดารินไม่ได้ตาฝาดเลยที่ลั่นกระสุนออกไปเมื่ออึดใจนี้ มันล่ะแต่จะเป็นไอ้ตัวไหนไม่รู้ได้นี่ขนาดเป็นกลางวันแสดนะมันยังมาป้วนเปี่ยนอยู่ใกล้พวกเราจนได้แล้วก็ไปได้เร็วเหลือเกินกลางตัดสินใจถูกแล้วล่ะที่แม่ตามไปมีแต่อันตรายครับเพราะไม่รู้วมจะล่อเราไปไหนสำคัญที่สุดมันอาจจะต้องการให้เราออกนอกทิศทางที่เราตั้งใจว่าก็ได้ถึงได้มาโผลหน้าหลอกให้น้อยยิง แล้วมาเห็นร่องเห็มาเห็นร่องรอยของมันเฮ้ยไอ้ผีนรกนี่ไม่จะจองเวรกับเราไปถึงไหนเนี่ยชายันร้องขึ้นพร้อมกับสะบดสาบแช่งแล้วหันมาทางดารินนี่น้อยเธอพูดคุยกับฉันตลอดเวลาไม่เห็นก็ซิบซักมิดว่าเธอเห็นอะไรอยู่ไม่อยู่ก็ยิงโครมก็ให้ซะแล้วฉันก็คอยระวังดักมันอยู่ไง รอให้มันผูนล่อหน้าออกมาไม่อยากจะแสดงอะไรผิดปกติพอมันผูนมาอีกครั้งฉันก็ยิงคิดเหมือนกันว่าพวกเราคงจะตกใจกันมากจะยังไงกันต่อเนี่ยมันน่าตามนะเนี่ยประโยคสุดท้ายหล่อนพูดเร็วปรือและป้องปากตะโกนเรียกเจ้าด้วนเสียงดังลั่นไปหมดมีเสียงร้องตอบมาจากช้างป่าตัวนั้นแต่มันยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ได้เคลื่อนเข้ามาหา อาใส่หน่อยไม่ได้เหรอจะให้ไปตามไอ้ผีดิบนีหน่อยหล่อนร้องตะหวาดออกไปอย่างหัวเสียแต่พี่ชายกลางบอกมาว่าหนีน้อยพี่บอกแล้วนะว่าอย่าหลงกลเรายังไม่รู้ว่าถ้าตามไปแล้วจะพบอะไรรอคอยอยู่ซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีกับเราก็ได้สังเกตดูเจ้าด้วนของเธอดิขนาดเธอเรียกมันยังไม่ยอมมาเลย เอาละทุกคนกลับไปที่เก่าของเราตาบน้ําเร็วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วเรื่องนี้พับไปถ้าไม่ใช่โอกาสของเราปล่อยมันไปก่อนโอกาสของเราเมื่อไหร่ก็จัดการวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะสวนกับโขงช้างผีสิงหรือมันวางกลับกลนอะไรไว้มากก็ต้องระวังตัวกันทุกฝีก้าวแล้วนั้นอิงกับขยินต้อนพวกลูกหามให้กลับไปที่เดิมสามคนพี่น้องและช ย, ยันเดินรวมกลุ่มกันมา เสียงเชิดถาบ่นว่าแหมนี่ขนาดวางยามระวังกันรอบด้านแบบนี้แล้วนะมันยังโผล่ข้มาได้น้อยก็ตาไวดีเหลือเกินก็พี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ชายันเฝ้าน้อยอยู่ในด้านที่ต่ำลงไปนี่คะแต่มันโผล่เหนือน้ำขึ้นไปโน่นตลอดเวลาที่อาบน้าซักผ้าน่ะน้อยก็คอยสังเกตแต่ทางต้นน้านตลอดเวลาล่ะเพราะทางด้านหลังนั้นไม่ต้องห่วงแล้ว ลักษณะของมันเจตนาจะให้น้อยเห็นมากกว่าพี่กลางอาจจะพูดถูกก็ได้ว่ามันล่อให้ตามแล้วหล่อนก็เอามือขวาลูกบกระพ้าเช็ด ต, ตัวที่นุ่งอยู่อย่างล่อแหลมบนว่าไม่เจ็บใจยิงช้าไปนิดเดียวไม่งั้นกะโหลกแหกไปละพอจะจำหน้ามันได้ไหมไอ้ตัวมันไรในซากนักรบที่เธอไปเชิญในคืนนั้นหรือเปล่าชยันถาม ฉันก็ไม่แน่ใจนะระยะมันห่างและมันก็โผล่มาไม่ชัดนักแต่ขนาดตัวมันน่าไม่เล็กทีเดียวดูจากรอยเท้าที่เหยียบดินทรายไว้อทุกคนก็รีบอ่าน้ำแล้วกันฉันเสร็จแล้วว่าแล้วหล่อนก็วางไรเฟิลไว้บนฝันเดินลุยเข้าไปที่กองเสื้อผ้าอันซักไว้คว้าได้ก็รีบนำกลับมาพร้อมกับเบี่ยงหลบเข้าไปสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เตรียมสำรองไวเชษฐาชายัน และอนุชาจึงเป็นฝ่ายลงน้ำบ้างโดยอาบพร้อมๆกันมิดารินนั่งสูบบุรีตาวาวคอยสังเกตการอยู่บนยอดหินตำแหน่งเดียวกับที่อนุชาเคยนั่งช่วงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทุกอย่างก็เสร็จสับเรียบร้อยมันเพิ่งจะก้าวนาฬิกาเท่านั้นทั้งหมดพร้อมที่จะออกเดินทางโดยข้ามมายังฝั่งที่เจ้าด้วนยังยืนโบขูผึบผักผึบผัก รอคอยอยู่ดารินก็ร้องสั่งมาว่าด้วนเราต้องการแกะรอยระพินทุกฝีก้าวจากตะเคียนทองนี่จนถึงห้วยเสือร้องนะตะจงนําไปให้พบกระร่องรอยการออกเดินทางของเขาเดี๋ยวนี้แล้วก็อย่าแยกออกไปไหนตามลำพงังโดยไม่จำเป็นล่ะเราสังหรณ์ว่าเส้นทางระยะเวลานี่มันอันตรายมากคชสานป่า ผู้สวามีพักหมุนตัวกลับอย่างแคล่วคล่องแล้วมันก็ออกเดินดุมดุมนำเลาะลัดตัดเข้าไปในราวป่าทันทีขณะที่เดินก็ชูงวงสูดสารวจกลิ่งอะไรบางอย่างไปด้วยดาริงกระชับไรเฟิลในมือมั่นสาวเท้าก้าวตามมันไปอย่างมั่นใจเต็มที่แล้วหล่อนก็ไม่พวงรอใครทั้งสิ้นทางด้านกลุ่มชายชะกันทั้งสาม ประกอบด้วยพี่ชายสองและเพื่อนตายอีกหนึ่งก็ไม่ต้องการมีการกล่าวแนะอะไรกันอนุชาทาหน้าที่กระชั้นชิดน้องสาวไปด้วยโดยไม่ยอมปล่อยให้ตามโตเจ้าด้วนล่วงหน้าห่างเกินไปนะักเชษฐากะชายันเดินอยู่เบื้องหน้าของกลุ่มลูกหานันอินและขยินเป็นกองระวังหลังเหตุการณ์มันสอนให้ทุกคนรู้หน้าที่ดีว่าควรจะต้องทำยังไงบ้าง ไม่ว่าในระหว่างหยุดพักหรือระหว่างเคลื่อนขบวนออกเดินทางแล้วก็จริงดังที่หญิงหญิงสาวเชื่อมั่นไว้ทุกประการเพียงแค่ตัดปารกลงไปสู่ที่ราบตำ่ำเป็นเวิร์กที่โล่งพอสมควรสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้น่าจะเป็นไร่เข้าฟางของกระเหี่ยงตะเคียนทองมองเห็นตีนเชิงผาอันยาวเหยียดที่กินแนวราบกับกาแพงยักษ์ ขนานบริเวณทุ่งหรือไร่ทราบนั้นขึ้นมาเจ้าด้วนก็หยุดยืนหันรีหันขวางส่งเสียงร้องเบาๆขึ้นครั้งหนึ่งเอางวงดุนควานไปตามบริเวณพื้นอันบัดนี้อุดมไปด้วยหญ้าขนสลับต้นลูกเดือยแก่ขึ้นอยู่ไม่สูงเกินไปนักดารินก้มลงสำรวจทันทีแต่หล่อนก็ยังช้ากว่าพี่ชายกลางมากเพราะเขาก้าวสกัดตามแนวนั้นไปด้านลำหน้าแ้ว ชูมือขึ้นสูงเป็นสัญญาณกับพักพวกที่เดินตามมาเบื้องหลังได้ความัรอแล้วางเชื่าร้องถามออกไปชัดครับขบวนคนไม่ต่งกว่าห้าหสิบคนเดินผ่านทุ่งหญ้าขนบริเวณนี้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเราพบกระรยรเรื่ อ, ขอนขอบวนของระพินกับกระเรียงอพยพที่ไปด้วยกันแล้วครับ วิเศษจริงไอ้ด้วนนี่มันรู้ภาษา ย, ยังไงหนอยชา ย, ยันครางออกมาอย่างยินดีแล้วทั้งหมดก็เร่งฝีเท้าขึ้นไปทันทีซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ดารินส่งเสียงบอกช้างปากคู่บารมีของหล่อนให้นำต่อไปด้วนทัปรอยไปเลยนะอย่านำแยกไปทางไหนล่ะเจ้าด้วนเคลื่อนที่ต่อไปลักษณะการเดินของมัน เป็นไปอย่างปกติธรรมดาไม่ได้เร่งร้อนอะไรทั้งสิ้นเหมือนจะทำตัวให้เป็นเป้าเด่นเพื่อให้ฝ่ายมนุษย์สังเกตเห็นได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังทิ้งระยะห่างออกไปไกลในการเดินนําเลาะตัดทุ่งไปนั้นเพราะช้างแม้จะเดินช้ามันก็ยังเร็วกว่าคนที่พยายามเดินให้เร็วหลายเท่านักไม่ต้องห่วงแล้วล่ะน้อยจะด่วนําทางให้กับเธอแน่นอน แล้วก็ไม่ต้องไปบอกให้มันไม่ต้องไปออกแรงเดินให้ใกล้ชิดมันหรอกไปเดี๋ยวหมดแรงซะก่อนเรามาเดินรวมกลุ่มกันยางงี้แหละถึงยังไงก็ไม่ผิดเป้าหมายแน่เพราะเจ้าด้วนจะเป็นเรือนำร่องให้เราสังเกตเห็นอยู่แล้วอนุชาสกิปหลังน้องสาวผู้ทาท่าจะกวดจำตามเจ้าช้างป่าตัวนั้นไปให้ทันอีกหล่นจึงยอมลดฝีเท้าลง รอยเดินไปของคนหมู่มากสิ่งวัสดุหรือสิ่งเหลือใช้อันทิ้งไว้ตามทางไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามมันปรากฏให้เห็นไปทุกระยะทีเดียวกลนบุรีต่างประเทศซิก้าและเปลือกของหมากฝรั่งเป็นหลักฐานที่แน่ชัดที่สุดสำหรับฝ่ายอเมริกันรอยตัดกิ่งไม้บ้างบางระยะรอยฟันเครือเถาที่เกะกะขวางหน้า ก็หมายถึงการเปิดทางบุกเบิกของพวกกระเรียงและพรานพื้นเมืองของฝ่ายระพินขณะนั้นแสงแดดเริ่มแย์จัดจ้าขึ้นแล้วแต่ทุกคนสดชื่นเพราะได้อาบน้ำมาใหม่ๆและได้พักผ่อนกันอย่างพอสมควรในราตรีที่ผ่านมาไอด้ดวนของนายหญิงมันทำให้เราพบรอยเดินไปของนายระพินเร็วขึ้นอีกไม่ต้องมางมอยู่ นันอินบอกกับกลุ่มนายจ้างแต่ถึงไม่มีไอ้ด้วนพรานชดกระหนานอินก็คำทางถูกอยู่เดียยเพราะจากหน้าผาตะเคียนทองจะตัดขึ้นห้วยเสือร้องนะ่ยมันก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะเดินกันขึ้นไปอย่างสบายๆตอนนี้เรายังไม่พ้นแนวหน้าผาตะเคียนทองเลยแกชี้มือไปอยังทิวเขาอันยาวเหยียดมองเห็นอยู่ใกลๆเป็นเสมือนกำแพงขนานแนว เส้นทางเดินของคณะทุกคนอยู่ขณะนี้ห่างออกไปแค่ไม่เกินสี่ห้ารอยเมตรเท่านั้นกล่าวต่อมาว่าตอนนี้นะเราอยู่ห่างจากบริเวณที่พวกนายรพินเคยตั้งบางพักแล้วตรงบริเวณที่เราขึ้นไปนอนพักนอนสักกิโลครึ่งเห็นจะได้นุน่มนายมองย้อนหลังไปหนดเราจะเห็นฝูงแรงดำมืด ลงตรงบริเวณซากช้างตายนับพันพันตัวอีกแล้วสารพัดสัตว์กินเนื้อมันจะไปกินเลี้ยงกันอยู่ที่ใต้หน้าผานั่นอีกไม่เกินเดือนเดียวซากช้างพวกนั้นทั้งหมดก็จะเหลือแต่โครงกระดูกมันก็ดีไปอย่างสัตว์ประเภทกินเนื้อมันอิม่มมันก็จะได้ไม่ไมจุ่มบุญไว้กับพวกเรา และสภาพเส้นทางเป็นยังไงบ้างอดีต ท, ท่านทูตทหารบกพี่ชายใหญ่ของคณะสอบถามขณะที่มองฝ่าเปรวแดดไปเบื้องหน้าในลักษณะเดินย้อนแสงตะวันก็เป็นทุ่งโ ล, ล่งไปตลอดจนกว่าจะหมดทิวเขาเถือกนี่แหละพรานครูผู้เฒ่าซึ่งชำนาญเส้นทางดีอยู่แล้วบอกต่อจากนั้น ก็จะอ้อมขึ้นฟังขวามือเมื่อสุดทิวของกำแพงยาวเทือกนี้เริ่มไต่ขึ้นไปทีละเนินละนายไต่สูงเป็นระยะระยะไปโดยเราไม่รู้ตัวใบใบก็จะเลียกอยู่บนเทือกเขาด้านใต้ของหุบหมาหอนแล้วก็เดินไปตามไหลนั่นเรื่อยๆหุบหมาหอนเหรอชยันร้องอย่างแปลกใจฮะ ชื่อนี้เราเคยผ่านมาแล้วนี่สมัยที่ออกตามลุงอินกับพรานชดน่ะหุบม้าโหน่ะเป็นหุบที่กว้างใหญ่มากนายทหารเดินกันเป็นแรมเดือนก็ยังไม่รอบบริเวณตอนที่พวกเจ้านายมาครั้งก่อนน่ะนายนินเชื่อว่าคงจะผ่านเข้าทางด้านตะวันออกของหุบเพราะทางด้านนั้นน่ะมันเป็นด้านเดียว ที่อยู่ใกล้หมู่บ้านลมช้างของไอขยินมันคงไม่ได้ผ่านมาทางด้านนี้หรอกคำว่าหุบหมาหอนทำให้ทั้งเชษฐาชัยยันและดารินเงี่ยหูอย่างสนใจทันทีเพราะผ่านพบกับพยันตรายนาน า, นานชนิดในหุบนรกแห่งนั้นมายังไม่มีใครลืมได้ในครั้งก่อนนั้นนุงอิน นี่แปลว่าเราจะต้องผ่านเข้าหุบม้าหอนด้วยเหรอเชถาถามพรานครูสันหัวเราไม่ผ่านในายใหญ่ถ้าตามเส้นทางเดินนี่เราก็เพียงแต่เฉียดสันเขาลูกหนึ่งที่เป็นอาณาบริเวณกั้นหุบม้าหอนตอนหนึ่งไว้เท่านั้นไม่ต้องลงไปในหุบรอก แล้วแกก็ตะโกนเรียกขยินที่เดินคุมอยู่เบื้องหลังขึ้นมาถามเป็นเชิงสอบภูมิว่าเฮ้ย hey, ไอขยินนหนเองลองชี้ให้เจ้านายดูสิว่าลมช้างบ้านเองนะ่ะอยู่ทางด้านไหนโดยไม่ต้องสังเกตอะไรมากเลยขยินชี้มือไปทางทิวเขาสูงเยี่ยมฟ้าลิบลบิทางตะวันออกบอกมาว่าโน้่น ถ้าเทือกที่เห็นจะรดขอบฟ้าดำๆไปก็ถึงลมช้างลุงถามทําไมจะไปบ้านเคยินเลยค่ะจะไปบ้านเองทําไมเสียเวลาแค่ถามดูเท่านั้นแหละสมัยก่อนนายราพินกับพวกเจ้านายไปตามข้ากันไหนชดออกทางด้านลมช้างของเองแต่เส้นทางเดินของนายระพินคราวนี้น่ะออกทางด้านหัวเสือร้อง แม่จะมุ่งเข้านรกน้ำเหมือนกันแต่ก็ห่างกันหลายยอดลุงยอดหนึ่งมันยาวเท่าไรอะ่ะถ้ายินถามมาหน้าตาเฉยนานอินนิ่งคิดแล้วยกเ ท, าท้าถีบโครมเข้าไปที่บั้นเอวของเจ้าองคุรีมานแห่งไพรกว้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันอย่าเสือกถามอนุชาทำสัญญาณกับพรรคพวก ให้ทดลองวิทยุประจำกันอีกครั้งโดยเปิดสวิตต์กดขีเรียกปรากฏว่ามันยังคงบอดสนิทไม่ได้ผลอยู่ตามเดิมอย่าพยายามไม่เสียเวลาดีกว่าตราบใดก็ตามที่เรายังไม่พ้นจากรัศมีของหน้าผาตะเคียนทองนี่เชษฐาบอกทั้งคณะ บุกบันกันไปในมันทาวิถีอย่างผู้คุ้นเคยต่อการเดินดงดีมาก่อนหนว้วไม่ถึงกระหักโหมเร่งด่วนให้เหนื่อยเร็วโดยใช่ที่แต่ก็ไม่ช้าตะวันกล้าขึ้นทุกทีหบผาตะเคียนทองเริ่มจะถูกทิ้งเป็นเงาอยู่ในแสงแดดเหมือนยักษ์หมอบอยู่เบื้องหลังเจ้าด้วนผู้ดูเหมือนจะเข้าใจคำสั่งของดารินดีบัดนี้ เริ่มนำขบวนขึ้นทางด้านขวาของปลายสุดแห่งทิวนั้นแล้วไต่ขึ้นสู่เนินตรงตามที่นานอินบอกไว้แต่แรกทุกอย่างไม่มีวิแววของสัตว์ชนิดใดให้เห็นนอกจากนานนานครั้งนกต้อยติวิทที่หลบนอนอยู่ตามพงหญ้าจะตกใจบินปรือหนีหายไปอย่างรวดเร็วขณะเมื่อตกใจเสียงฝีเท้ามนุษย์เดินเฉียดใกล้รังนอนของมัน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 แม้จะอยู่ในลักษณะเดินรวมกลุ่มกันไปความใจร้อนก็ทำให้ดารินมักจะเดินอยู่ในแนวที่ล้ำหน้าเหมือนจะเป็นการเร่งพักพวกอยู่ตลอดเวลาภูมิประเทศตอนใดไม่น่าไว้วางใจตอนจะปลดไรเฟิลออกมาถือในมือตอนใดดูน่าจะปลอดภัยดีเดีมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลปราศจากสิ่งน่าระแวงก็จะสะพ า, ายไหลไว และเพื่อความไม่ประมาท M16 แบบคอมมานโดชนิดพับฐานให้สั้นลงได้ถูกเชืทาสั่งให้พวกลูกหาบเอามาสะพายสำรองไวเผื่อว่าถ้าจำเป็นก็จะวิ่งไปหยิบฉวยขึ้นมาใช้งานได้ในทันทีโดยไม่ต้องรื้อแกะออกจากคอสัมภาระให้เสียเวลาบัดนี้ทุกคนไม่ระแวงอะไรมากไปกว่าการประจันหน้ากับขลุงช้างผีสิง ของเจ้าผีดิบมันไรอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังอุ่นใจที่มีเจ้าด้วนอันเปรียบเสมือนเรดาร์หรือสัญญาณเตือนภัยเดินนำไปเบื้องหน้าเพราะใจะยังไงซะมันก็จะต้องสัมเนียกกับภัยที่อาจจะคอยดักซุ่มเล่นงานนั้นได้ก่อนทันทีพร้อมทั้งเตือนให้ฝ่ายมนุษย์ทราบทันการเหมือนเช่นที่มันเคยทามาแล้วร่างใหญ่โตของมัน แลคล้ายก้อนหินเคลื่อนที่พลุกพลกโผ ล, ล, ล่ให้เห็นอยู่เป็นระยะสุดแต่ภูมิประเทศซึ่งจะ แ, แลโล่งตลอดไปไกลหรือเลี้ยวหักมุมมีแก่งแง่โคดหินหรือสุนทุมพุ่มไม้บังหนึ่งสเมื่อตะวันรุ่งเหนือหุบผาตะเคียนทองปลุกคณะของดารินวราฤทธิ์ขึ้นมา มันก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบตะวันรุ่งเหนือหน้าผาใต้ปีกเขานกอินซีของคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์อันจำเป็นต้องมาหยุดพักนอนอยู่เพียงแค่การปีนขึ้นมาถึงตะพักขั้นแรกของเทือกอันสูงชันเท่านั้นเพราะอุปัตวะเหตุอันเกิดขึ้นกับบุคคลสำคัญของคณะผู้หนึ่งคือคริสติน่ากรูบินผิดกันแต่เพียงว่าใต้เงื้อปีกของพญาอินรี มันเป็นความหวังที่ทุกคนจะปีนป่ายขึ้นไปตามแผนกำหนดการของระพินนั้นมันแสน จ, จะแห้งผากและอ้าวระอุบ่งสั ญ, ญลักษณ์ของนรกดำอันเป็นบริเวณป่าต้องห้ามสำหรับมนุษย์สองมือสองเทา้ามิให้เหยียบย่างผ่านกลเข้ามานับการเวลามาได้นานแสนนานแล้วสแตนลีย์ดูเหมือนจะตื่นขึ้นก่อนทุกคนในคณะสังเกตไปรอบๆสถานที่พักชั่วคราว ทุกสิ่งทุกอย่างปกติเรียบร้อยแล้วอเมริกันอาวุโสก็สะกิดปลุกเบลคีดและเชิดบุตรขึ้นมาพวกลูกหาบกระพรานพื้นเมืองของระพินนั้นก็รู้สึกตัวขึ้นในเวลาไล่เรียกเป้าหมายแรกที่ฝ่ายนายจ้างพุ่งความสนใจไปจับก็คือคริสติน่าผู้ยังนอนสงบอยู่เข็มปักคาค้างอยู่กับแขนแต่น้ำเกลือในถุงหมดสิ้นลงแล้ว อิสเบนรีบลุกขึ้นดึงเข็มออกทันทีแล้วเขย่าปลุกเบาๆแม่ผมทองผู้กลายเป็นคนป่วยไปสำหรับวันนี้ลืมตาสีฟ้ากว้างขึ้นแล้วดึงกายขึ้นนั่งโดยเร็วแววตามีประกายกว่าเมื่อวานและใบหน้าก็มีสีเลือดขึ้นสแตลลีคีดและเชิดบุตรเข้ามามุงล้อมอย่างเป็นห่วงเป็นยังไงบ้างคริส ทุกคนร้องถามเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันจ้องหน้าขม็งนักเคมีฟิสิกส์สาวรูปงามประจำคณะยิ้มเรียบเรียบก็หลับสบายมีแรงพอที่จะต่อสู้กับวันนี้ได้ทั้งวันไม่ว่าจะหนักสักแค่ไหนหล่อนบอกกับทุกคนพร้อมกัะเอี่ยวกายบิดตัวอย่างเมื่อยขบจนกระดูกลั่นทุกคนถอนใจออกมาได้อย่างโล่ง อ, อกพอหล่อนเอี่ยวไปทางด้านซ้ายมือ ก็เห็นพรานใหญ่ยังคงนอนเหยียดยาวอยู่ข้างๆห่างออกไปเล็กน้อยมือทั้งสองประสานกอดอกและหมวกสกสารต์ปิดรูปหน้าอยู่ดูไม่ออกว่าเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นหรือยังหลนจ้องไปที่เขาแล้วเหลือบมองดูทุกคนเพราะลักษณะของระพินแปลกไปกว่าทุกครั้งตามปกติแล้วทุกเช้าในป่าก่อนที่ทุกคนจะตื่นขึ้นมานั้นมันหมายถึงว่า จอมพรานจะต้องลุกขึ้นจากการทำโน่นทำนี่ก่อนทุกคนแล้วแต่สำหรับเช้า ว, วันนี้ดูจะเป็นวันแรกที่เขายังนอนสงบอยู่สายตาของคริสที่แลไปยังทุกคนเหมือนจะถามว่าปลุกเขาขึ้นดีไหมแต่ด็อกเตอร์สแตนลีย์ซึ่งอ่านสายตานั้นออกสั่นสีสักงกระซิบเบาๆว่าถ้าเขายังหลับอยู่ ก็หลับต่อไปสักระยะหนึ่งเถอะเวลาเรายังมีอยู่เหลือเฟือระพินน้นเหนื่อยหนักกว่าพวกเราทุกคนสำหรับเมื่อวานนี้และเชื่อว่าเมื่อคืนก็คงจะนอนหลับไปทีหลังทุกคนเอาเป็นว่าเตรียมอาหารเช้าให้เสร็จซะก่อนแล้วค่อยปลุกเขาก็ได้เบลลุกขึ้นอ้อมไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ถนัดขึ้นหย่อนตัวลงใกล้ๆเดียวขอยฉันตรวจดูเขาสักนิดเถอะ ท่าทางเขาปิดปกติไปกว่าทุกเช้าที่เราเคยเห็นนะว่าแล้วหล่อนก็เอื้อมมือจะไปจับข้อมือของระพินตรวจชี่ประจรแต่ก่อนที่มือหล่อนจะถึงมือเขาฝ่ามือที่ประสานกันอยู่บนสวงอกนั้นก็ฉกเบาๆกำเอาข้อมือหมอเบนไว้ก่อน65ครั้งต่อนาทีครับไม่ต้องจับให้เสียเวลาหรอก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 โถเรานึกว่านอนตัวแข็งเป็นไอผีดีพวกนั้นไปซะแล้วสินี่คงตื่นนานแล้วแต่นอนนิ่งเฉยอยู่ก็ไม่รู้จะลุกขึ้นเดินดูก้อนหินไม่ทำไมหันไปทางไหนมันก็มีแต่หินหินแล้วก็หินทางนั้น굿มอร์นิ่งสำหรับทุกคนครับกล่าวจบเขาก็ดึงกายขึ้นนั่ง ช, ะชะ้าๆตบปีกหมวกให้เสยขึ้นไปกองอยู่บนศีรษะด้านหลังเอามือทั้งสองข ย, ยี้รูปใบหน้า หัวหน้าคณะเป่าลมออกจากปากแกะดุมเสื้อแจ็คเก็ตใส่นอนแล้วถอดออกเป็นมอร์นิ่งที่ไม่ค่อยจะกู๊ดนักหรอกนะไพรวันอากาศเช้า ว, วันนี้บนนี้มันอบอ้าวผิดปกติไปกว่าทุกแห่งที่เราผ่านกันมาแล้วมันก็ร้อนบ้างเย็นบ้างแห้งแรงบ้างชุ่มชื่นมั่งไปตามลักษณะภูมิประเทศของมันเอาแน่ไม่ได้ดเตอร์ ผมยินดีรับที่พวกเราทุกคนตื่นขึ้นมาด้วยร่างกายและกําลังใจที่แข็งแรงดีแล้วเขาก็มองไปทางคิดรายงานข่าวอากาศของพักพวกคุณน่ใช้การไม่ได้นะคิดที่บอกว่าจะมีฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่าว่าแต่ฝนเลยขนาดดึกสงัดจะหาน้ำค้างสักหยดก็ยังยากสำหรับเมื่อคือนนี้คิดขยี้ปลายจมูกแดงๆของตนแรงๆทางบน ถึงว่าสิหาจวกไม่รู้มันอ่านเครื่องมือตรวจสอบอากาศของมันยังไงระบินหันไปทางคริสติน่าสีหน้าแววตาของเขาแลดูอ่อนโยนแน่ใจนะคุณบา่วันนี้ถึงไหนถึงกันคริสติน่ายิ้มตอบแข่นแค่นฉันเจ็บป่วยไม่นานนักหรอกแล้วก็ขอบคุณสำหรับการดูแลเจใสเมื่อคืน เอาฝ่ามือข้างหนึ่งขยี้แขนบริเวณที่ถูกจิ้มเข็มน้ำเกลือไว้คลึงให้เลือดกระจายแล้วสะบัดผมลุกขึ้นยืนเดินออกไปสู่อากาศลึกๆอยู่ริมแง่หินตำแหน่งที่จะดิ่งลงไปสู่เชิงเขาข้างล่างแล้วแลเลยไกลออกไปยังท้องทุ่งแฝกลิบๆซึ่งบัดนี้แลเห็นโล่งเตียนและดำเป็นเท่าไปหมดด้วยริดไฟกินอาณาบริเวณหลายสิบ าราใหมทุกคนแยกไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวและเตรียมตัวระพินเดินไปยังคนของเขาคิดติดต่อวิทยุกระหอบังคับการซึ่งรู้สึกว่าจะติดต่อกันได้สะดวกชัดเจนดีพอสมควรแบบเดียวกับเมื่อคืนก่อนจะเข้านอนเชิดวุฒิภายหลังจากเดินไปคุยกับระพินอยู่สองสามคำก็แยกไปยืนชิดอยู่กับคริสติน่า พูกกำลังเอากระดาษเคมีเย็นชำํำซับเช็ดหน้าอยู่เมื่อคืนนี้ผมหลับเป็นตายเลยแล้วก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าคีตแตรลีแล้วก็เบียร์คงหลับไม่รู้สึกตัวกันหมดอะ่ะการหลับสนิทนันเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดคริสติน่าตอบลอยๆดูจะไม่มีความหมายอะไรนะักคุณล่ะหลับสนิทดีไห ฉันคิดว่าเบลคงจะดึ๊กยานอนหลับเข้าไปในน้ำเกลือให้ฉันไม่น้อยทีเดียวหลับรวดตลอดไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยเหรอเชิญพุทธคุยต่อโดยไม่ได้มองหน้าเขานอกจากมองไปยังทุ่งที่เหลือเฉพาะรอยคีดเท่าเบื้องล่างตามเดิมคริสติน่าตอบมาว่าตอนค่อนข้างดึกนะฉันตื่นเพราะถูกบุรุษพยาบาลจาไปนะรับปลุก สาเหตุมันก็มาจากนอนดิ้นจนเข็มน้ำเกลือหลุดเขาเป็นคนแทงใหม่ให้ฉันจากนั้นอีกครู่เดียวฉันก็หลับต่อจนมาถูกอาจารย์ปลุกขึ้นและแล้วหล่อนก็ฝืนยิ้มดวงตารีลงเล็กน้อยเมื่อบ่ายวานนี้ฉันแย่มากนะลายเป็นคนอ่อนแอที่สุดของคณะไปแต่ที่น่าเสียใจที่สุดก็คือเป็นต้นเหตุให้คณะของเราต้องหยุดพักการเดินทางลงตั้งครึ่งค่นวัน เสียเวลาไปเปล่าๆเราเสียเวลาอยู่แท้ทุกระยะเชียวนี่คริสพอตื่นขึ้นมาร่างกายก็เป็นปกติแล้วคุณก็มาคิดเคร่งเครียดอยู่กลางงานอีกผมว่าปล่อยปล่อยมันไปบ้างจะดีกว่านะคุณวันหนึ่งไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละหนทางน่ะมันตายอยู่แล้วจะเร่งไปสู่ความตายกันสักแค่ไหนล่ะคุณถ่วงเวลาให้มันจะช้าไปหน่อยก็ดีเหมือนกันนะผมว่า แต่ฉันอยากย่างงานของเราเน่เสร็จใช่เร็ ว, รวคริสติน่าหันหน้ามาเผชิญหน้าเขามองศพด้วยสายตาตรงแม้จะพูดเสียงเบาแต่ก็เคร่งขึนจริงจังเสร็จในที่นี้นะมีอยู่สองความหมายคือตายอันหมดภาระไปเสียทีหรือว่าพบสิ่งที่เราต้องการกู้ได้สำเร็จแล้วเราก็จะได้กลับกันปล ด, ดปล่อยชายคนนั้นไป หลอนบุ้ยปากไปทางด้านหลังของระพินผู้กำลังยืนกำหนดแผนการอยู่กับคนของเขาห่างออกไปทางมุมหนึ่งปล่อยให้เขาเป็นอิสระจากพันธะในงานครั้งนี้สะที